19. นอนกับเทวดาตอนก่อนว่าไว้ว่าการที่เราจะวินิจฉัยว่าอะไรดีไม่ดีถ้าเอาแต่ความพอใจของเราไปเข้าวัดคือเราชอบอะไรเราก็ว่าดีฝากฝังความดีไว้กับความพอใจอย่างนี้เอาแน่ไม่ได้เพราะความพอใจของคนมันกลับกรอกได้และได้ง่ายเสียด้วยยิ่งถ้าหลายคนหลายใจเข้าด้วยเลยไปกันใหญ่ เหล่านิทานประกอบสักหน่อยดีกว่าเรื่องสั้นๆมีคนสองคนเป็นเพื่อนกันรักกันมากแต่นิสัยไม่เหมือนกันคนหนึ่งใจบาปอยากช้าทาแต่บาปกรรมต่างๆตามเรื่องของคนใจบาปอีกคนหนึ่งใจบุญทําแต่บุญกุศลครั้นอยู่มานานๆนคนทั้งสองล้มหายตายจากกันไปครั้นตายแล้ว คนใจบุญไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์มีความสุขสบายมากตามเรื่องของเทวดาอย่างที่เราเคยได้ยินนั่นแหละคือเป็นเทวดาแล้วมีทรัพย์สมบัติพอตัวไม่ต้องทำงานเหมือนพวกมนุษย์เราอาหารการกินก็สาเร็จด้วยการเนรมิตเทวดาอยากกินอะไรก็เนรมิตเอาที่ว่าเนรมิตก็คือนึกนั่นเองเช่นสมมติว่าเทวดาอยากกินโอเลี้ยง เทวดาก็นึกขึ้นว่าโอเลี้ยงเท่านี้โอเลี้ยงก็จะลอยมาหามีหลอดดูดพร้อมเสร็จดังนี้เป็นต้นคิดวาดภาพเอาเองก็แล้วกันทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเทวดาที่ว่าตายมาเกิดนั้นอยู่ว่างๆก็คิดถึงเพื่อนอยากรู้ว่าเพื่อนของเราตายแล้วไปเกิดอยู่ที่ไหนครั้นเล็งตาทิพตตรวจไปตรวจไปก็ไปเห็นเพื่อนเกิดเป็นหนอน อยู่ในส้วมพระรู้สึกสงสารเป็นกำลังอยากจะวิ่งเต้นให้ได้มาอยู่บนสวรรค์ด้วยกันจึงรีบลงจากสวรรค์ไปปรากฏที่ปากหลุมส้วมพอหนอนเห็นเข้าก็จําได้นัตกนถามเทวดาด้วยความดีใจไงเพื่อนหายไปไหนเสนาลไปอยู่บนสวรรค์แน่เดี๋ยวนี้กันเป็นเทวดาแล้วแล้วนี่จะไปไหนล่ะก็จะมาหาแกละสิ เห็นว่าแกลำบากอยากจะชวนไปอยู่บนสวรรค์ด้วยกันไปเถอะเทวดาชวนสวรรค์ของแกดียังไงถึงได้อุตส่าห์มาชวนหนอนชักสงสัยดีจริงๆแกเอ๋ยงานอะไรก็ไม่ต้องทำกินอะไรก็เนรมิตเอาเบิร์ตสำเร็จทุกทีพอหนอนได้ฟังเทวดาก็ร้องไห้โหไม่ต้องร้องไห้เพื่อนเอ๋ยร้องทำไมเทวดาปลอบ คิดว่าหนอนจะร้องไห้ขอความช่วยเหลือโทษถังการอดสงสารแกไม่ได้เพิ่งรู้ว่าแกไปตกรกรรมลำบากมากมายเช่นนี้เอาอย่างนี้เถอะเพื่อลงมาอยู่ในส้วมด้วยกันดีกว่ายังมีที่ว่างอยู่บ้างพอจะช่วยเหลือได้หนอนชวนเทวดาบ้างหืมส้วมแกดียังไงโอ้ดีกว่าสวรรค์ของแกหลายเท่านะัก บนสวรรค์เราจะกินอะไรก็ต้องเนรมิตเสียเวลาที่นี่ไม่ต้องเสียเวลาเนรมิตอยู่เฉยๆพวกพระจะจัดเวรกันเอาอาหารมาส่งเองไม่มีอะไรเดือดร้อนเลยกันเสียใจที่ไม่เห็นด้วยกับแกลาละเทวดาว่าเช่นเดียวกันเพื่อนเอ้ยสวัสดีหนอนว่าตกลงว่าหนอนก็ไม่ยอมไปอยู่กับเทวดา เทวดาก็ไม่ยอมไปอยู่กับหนอนต่างฝ่ายต่างสงสารกันและพอใจในตัวเองท่านละ่ะเห็นข้างไหนผิดข้างไหนถูกหนอนหรือเทวดานี่คือผลของการตัดสินว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดีโดยใช้ความพอใจของแต่ละคนเป็นเกณฑ์ในกรณีขัดแยง้งระหว่างหนอนกับเทวดานี้แม้จะถือเสียงข้างมากเทวดาก็แพ้วหมันอย่างคา พระพุทธเจ้าทรงให้หลักตัดสินดีชั่วไว้ดีมากคือหลักเหตุผลถ้าเหตุดีผลดีถือว่าดีถ้าเหตุชั่วผลชั่วถือว่าไม่ดีในชมพูทวีปสมัยโนนสมัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ประชาชนมีวิธีตัดสินดีชั่วอยู่เพียงสองวิธีคือความพอใจหรือความเกลียดชังของตนเป็นเครื่องวัดฉะนั้นการแบ่งชั้นวันนะ จึงเป็นไปอย่างรุนแรงพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วจึงทรงประกาศวิธีตัดสินใหม่อีกวิธีหนึ่งคือพิจารณากันด้วยเหตุผลผิดถูกชั่วดีว่ากันด้วยเหตุผลด้วยวิธีใหม่นี้ทำให้วันนะทั้งสหันหน้าเข้าหากันได้อย่างน่าสจัจแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีบางพวกที่ยังคงยึดสองวิธีดั้งเดิมอยู่และคนพวกนี้แหละที่สร้างความอ่อนแอขึ้นไว้ในอินเดีย ซึ่งเป็นชาติที่มีประชาชนขนาดที่ว่าเกือบจะครองโลกได้แต่ไม่สามารถแม้จะครองเอกราชของตัวเองไว้ได้เป็นเวลาช้านานไทยเรานี้ก็เถอะถ้าต่างคนต่างบูชาความพอใจของตนเป็นใหญ่ไม่เชื่อหลักพระพุทธเจ้าคือหลักเหตุผลกันแล้วก็คงจะล้มกันวันหนึ่งจะได้และพึงระลึกไว้เสมอว่าพระพุทธศาสนาดีเด่นอยู่ในโลกเพราะยึดหลักเหตุผล เราเป็นพุทธศาสนิกก็ควรสร้างศักดิ์ศรีของตนเองด้วยการบำเพ็ญตนเป็นคนเคารพต่อเหตุผลด้วยใจจริง